775 m h z AM 1368กิ z ลเเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารจากมาแสนไกล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 ท่านผู้ฟังเช่นเคยเรานําเรื่องราวสาระน่ารู้มาพูดมาคุยกันในช่วงนี้นี่ในเรื่องของคอรอมอชุดใหม่นี่ก็ตอนนี้รายชื่อค่อนข้างที่จะจะนิ่งแล้วนะครับหลังจากมีการต่อรองจากหลายกลุ่มหลายหลายขั้วนะทั้งในส่วนของพักร่วมรัฐบาลแล้วก็ในส่วนของ พักรัฐบาลเองคือพรกพลังประชารัฐเนี่ยนะครับนะมีมีการเรียกร้องโปตอรัฐมนตรีนะครับซึ่งโผที่ที่น่าจะนําทุนกล้าวนะครับในภะในเดือนมิถุนายนนี้นะก็คาดการณ์ว่าน่าจะพลเอกประยุทธ์จันโอชานะเป็นนายงตรีก็จะควบรัฐมนตรีกาลาโฮมนะครับนะซึ่งก็จะครวบอีกตําแหน่งหนึ่งส่วน ผลเอกประวิตยวงสุวรรณจะเป็นรองนายกตงตรีฝ่ายความมั่นคงนะครับแล้วก็จะดูแลสํานัก ง, งานตํารวจแห่งชาติแค่นั้นเองนะครับนะก็จะไม่ได้ดูแลกะลาหูมแล้วนะครับผลเอกประวิตยแล้วก็มีนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์จะเป็นรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจนะครับนายวิษณุเครืองามจะเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายก็จะเป็นบุคคลเหนี้เป็นรองนายก นะส่วนรัฐมนตรีก็จะมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยนะครับพลเอกชัยชาญช้างมงคลก็จะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็มีโคต้าในส่วนของพรกพลังประชารัฐก็จะมีนายอุตามาสวรนายนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับนายอุตามานี่ก็ เป็นเป็นหัวหน้าพรกพลังประชารัฐแหะครับตอนหาเสียงนี่นะครับมีนายสันติพร้อมพลัดเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังนะครับนายอนุชานาคาใส่ก็จะเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังเหมือนกันนะครับถึงก็เป็นเป็นหัวหน้ากลุ่มต่างๆที่อยู่ภายในพักพลังประชารัฐนายพุทธิพงศ์ปุน ก, กันเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็นายนัฐพล ทีปสุวรรณนะครับก็จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตอนแรกที่ได้ข่าวจะเป็นคุณสมศักดิ์ก็ไม่ใช่นะจะมาน่าจะเป็นนายนัฐพลนะครับส่วนนายสุริยะจึงลุจึงลุ้งเรืองกิจจะเป็นรัฐมนตรีพลังงานนะครับแล้วก็ดกรสุวิทย์เมศินสีจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ก็เป็นกระทรวงใหม่ที่จะมาคุมมหาวิเลยต่างๆนี่แหละครับนะส่วนนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงจะเป็นรัฐมนตรีมัอุตสาหก ร, ร์นะครับนายสมศักดิ์เทพสุทินเป็น ร, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับก็มาคุมทางด้านศาลนะครับนายสมศักดิ์เทพสุทินนายสุดชาติชมกลิ่นจะเป็นรัฐมนตรีแรงงานนะครับนายอัคราภ พ, พมเผา ก็จะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในทธิพลคุณปื้มจะเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมนะครับแล้วก็นายอาทิรัฐรัตนเศษจะเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะก็จะดูแลคมนาคมเป็นเป็นในส่วนของพลังประชารัฐนะพลังประชารัฐนะครับในส่วนนี้ถ้าเป็นประชาธิปัตย์นี่ก็จะมี โค้ต้ารัฐมนตรี8ปดตำแหน่งแต่ว่ามีคนที่ได้รับเข้าดำรงตำแหน่งอยู่7คน mm hmm. ก็ได้แก่นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์จะเป็นรองนายกตีควบรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะคุณจุลินเนี่ก็เคยเป็น mm hmm. เคยคุมพาณิชย์มาก่อนนะครับนายเฉลิมชัยศรีอ่อนจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนายจุติไกลเลิศจะเป็นรัฐมนตรีว่าการ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับนายนิพุลบุญญามณีเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคุณหญิงกระยาโสพลพาณิชเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการนายถาวรเสนเนี่ยมจะเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมและนายสาธิตปีตุเตชะจะเป็นรัฐมนตรีช่วยสาสุขนะครับส่วนพรรคภูมิใจไทยนี่นะครับคุณ อนุทินชาญวิรุลนั่งรองนายกตีแล้วก็จะควบรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับแล้วก็มีนายศักดิ์สยามชิดชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนาะยพิพัฒรชกิจประ ก, การเป็นรัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็มีนางสาวมนัญญาไทยเศษเป็นรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงเกษตรนายทรงศักดิ์ทองศรีก็จะเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลจะเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะครับแล้วก็ในส่วนของนางสาวกหนกวันวิลาวันจเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิกา ร, นะรส่วนพรกชาติไทยพัฒนาก็จะมีนายวราวุฒิศิลป์อาชาบุตรชัยของนายบรรหาเนี่ยนั่งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็นายประพัฒโพธิสุทนลันตีช่วยเกษตรส่วนพักรวมพลังประชาชาติไทยได้หม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลจะนั่งลำตีว่าการกระทรวงต่างประเทศซึ่งรายชื่อทั้งหมดนี้ก็จะอยู่ระหว่างในการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับว่าขัดแยง้งกับข้อกำหนดในการดารงตาแหน่ง รัฐมนตรีหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็มีการเป็นล้องคุณนิพนธ์บุญญามณีนะ บ, บอกว่าที่จะเป็นโคต้าของประชาธิปัตย์จะมาเป็นลัฐตีช่วยมหาไทยบอกว่ามีค ด, ดีในสมัยเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก็มีการล้องแต่ว่าก็เจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธนะครับแล้วก็บอกว่าตัวเองนี่ก็ไม่มีนะไม่มี มีความบริสุทธิ์นะครก็ว่ากันไปนะครับนะซึ่งซึ่งตรงนี้นี่ก็มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของคอรมอคาดว่าในสัปดาห์หน้าเราจะได้คอรมอชุดใหม่ที่จะมามาขับเคลื่อนอเศรษฐกิจนะครับมาขับเคลื่อนองานนะเพื่อที่จะให้งานเนี่ยไม่ไม่หยุดชะงักหรอกครับเพราะที่ผ่านมานี่ก็ค่อนข้างที่จะในส่วนของส่วนราชการอะไรต่างๆนี่ก็มักจะรอ รัฐมนตรีคนใหม่นะครับที่จะมามาขับเคลื่อนงานนะครับนะว่าว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคงจะต้องร อ, อดูนะครับโดยเฉพาะาทางด้านเศรษฐกิจนะครับนะว่าในส่วนของของสามพักเนี่ยจะร่วมมือกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังไงเพราะรัฐมนตรีกระจายกันไปอยู่ทางด้านเศรษฐกิจกระจายไปอยู่3พักคือพักพลังประชารัฐนี่ก็จะเป็นรัฐมนตรีที่คุมทางด้านกระทรวง การคลังและก็อุตสาหกรรมนะครับนะในส่วนตรงนั้นกับพลังงานแต่ว่าในส่วนของประชาธิ ป, ปัตย์ก็จะดูแลทางด้านพาณิชย์แล้วก็ทางด้านเกษตรนะครับแล้วกัส่วนของภูมิใจไทยนี่ก็จะดูแลทางด้านคมนาคมนะครับนะซึ่งเป็นกระทรวงที่ขับเคลื่อนทางด้านทางด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะนั้นนี่คงคงจะต้องดูนะครับว่า ตั้งสามพักจะหลอมนโยบายนะมาเข้าด้วยกันแล้วก็จะทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างไรในสถาบัน ท, ที่เศรษฐกิจของโลกค่อนข้างจะผันผวนนะครับจากการทำสงครามเศรษฐกิจนะครับระหว่างสหรัฐกับจีนนะซึ่งก็ส่งผลกระทบกันไปทั่วโลกล่ะครับน ะ, ะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่คงจะต้องจับไดจะดูรัฐบาลชุดใหม่นะครับว่าจะ มีนโยบายที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างไรมารับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่เราจะมาพูดมาคุยกันต่อครับ I'm sorry, i o r Thai. มาพูดมาคุยกันต่อนะครับในช่วงนี้นี่ในส่วนของอเราจะได้คอรมอรกันชุดใหม่ในในส่วนของหน่วยราชการส่วนราชการต่างๆก็มีการปรับแผนนะครับที่จ ะ, ะดําเนินแผนงานตามเจ้ากระทรวงที่ที่จะจะเข้ามาในส่วนของทอกศเนี่ยนะครับนะกะ็เริ่มที่จะมีการ นะขับเคลื่อนการปล่อยสินเชื่อนะตามนโยบายของพักประชาธิปัตย์ซึ่งพักประชาธิปัตย์นี่ก็จะมาคุมกระทรวงกรเกษตรนะและทรัพนยะ์ก็จะเป็นเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการประกันราคาข้าวนะครับนะเพราะนั้นทกสจะเน้นในโครงการนี้นะครับประกันราคาข้าวเพื่อที่จะอุ้มชาวนานนะในสมเกียรตนะ์กิมา มาวหาพูดช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและกตรกรการเกษตรก็บอกว่าตอนนี้ในส่วนของทกสเตรียมมาตรการที่จะมีการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งก็คาดว่าพักประชาธิปัตย์จะมาดูแลกระทรวงเกษตรก็จะใช้มาตรการประกันราคาสินค้าเกษตรเน้นไปที่การประกันราคาข้าวเหมือนที่เคยทามาเพื่อเป็นการชดเชยรายได้ของเกษตรกร นะซึ่งงบประมาณที่ใช้นะในการประกันราคาข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 50,000 ถึง 60,000 ล้านนะ 60, 000, ล้านบาทซึ่งก็จะไม่ต่างจากมาตรการชดเชยรายได้ของรัฐบาลปัจจุบันโดยฤดูการผลิตปี 2561-62 รถึงนะรัฐบาลก็จะชดเชยรายได้การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้กับชาวนา ประมาณ4ล้านไร่นะครับรวงเงินประมาณ5 6 6 0 0ล้านนะครับเพราะฉะ น, นั้นในตรงนี้นี่ในส่วนของทกศนี่ก็จะเตรียมไว้นะครับในเรื่องของชดเชยให้กับกเกษตรกรโดยผู้ปลูกข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวหอมปทุมธานี1เนี่ยจะจะได้รับาการจ่ายชดเชยไม่เกิน15ไร่ไร่ ล, ละประมาณ 1,500 บาท รวมแล้วก็จะไม่เกินครัวเรือนละหม0 0 0บาทนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็เกษตรกรที่ได้รับการชดเชยมากที่สุดก็คือภาคอีสานนะครับเพราะว่ามีชาวนาเข้าร่วมประมาณ2 7ล้านเจ็ดแสนไรนะวงเงินก็ประมาณ 28,000 ล้านก็คืออีสานนี่ก็เป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวลายใหญ่ของของประเทศแหละครับเนเพราะนี้ก็ต้องใช้งบจำนวนมาก ส่วนราคาข้าวหอมมะลิในปีที่ผ่านมาก็บอกว่าอยู่ในเกณฑ์สูงคือราคาประมาณ 16,000 ถึง 18,000 บาทต่อตันข้าวเปลือกนะครับซึ่งราคาที่สูงขึ้นก็เป็นผลจากการจำกัดพื้นที่ปลูกข้าวมีโซนนิ่งตามนโยบายของกระทรวงเกษตรแล้วก็สต็อกข้าวที่ลดลงนะ ก, ก็เน้นที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้าวนะครับถ้าถ้ามีการ ขยับให้ราคาข้าวสูงขึ้นนี่ก็จะทําให้ชาวนาเกษตรก ร, ร, กรนี่มีรายได้มากขึ้นนั่นก็เป็นโครงการที่เริ่มที่จะมีการขับเคลื่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านทางด้านข้าวนะครับนะก็ยังมีอีกหลายๆด้านนะครับนะยังในส่วนของอทางอาเซียนนี่ก็จะเน้นจะเริ่มที่จะมีกระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องของอการการท่องเที่ยวนะครับมีการขับเคลื่อนกันเหมือนกันอย่างเช่น นะการท่องเที่ยวนี่นะครับนะมีนางอมร ท, ทรพีธรรมซึ่งเป็นอดีตดีกรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะซึ่งบอกว่าตอนนี้อาเซียน เ, นยเริ่มขยับที่จะทำโครงการร่วมกันนะครับคือการทำแผนแม่บทด้า น, านการท่องเที่ยวเชิงอาหารของอาเซียนนะมีการตั้งคณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและวัฒนธรรมร่วมกันของอาเซียนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมีการคัดเลือกเมืองที่มีวัฒนธรรมหรือเมืองที่มีอาหารอร่อยเพื่อเพื่อนามาจัดทาเป็นไกด์ไลน์เป็นคู่มือให้กับนักท่องเที่ยวนะคือในส่วนของชาวจีนชาวเกาหลีญี่ปุน่นแล้วก็ฝรั่งที่จะมาเที่ยวในส่วนใหญ่นิยมามาเที่ยวแถวอาเซียนเนี่ยนะครับนะก็ จะได้ใช้เป็นคู่มือนะครับในการที่จะไปเที่ยวเมืองวัฒนธรรมและก็แหล่งอาหารอร่อยซึ่งก็จะมีอยู่นะครับในส่วนของไทยเรานี่มีในกรุงเทพเนี่ยมีร้านที่ได้รับรางวัลในระดับโลกนะมีอยู่นะครับนะของรางวัลระดับโลกอย่างเช่นมิชลินไกด์เนี่ยนะครับนะซึ่งก็มีร้านเจ๊ไฝ่เนี่ยได้นะครับแลก็มีอีกหลายร้านนะครับนะถ้าถ้าได้ระดับมิชลินไกด์นี่ก็จะนักท่องเที่ยวทั่วโลกนี่ก็จะ นิยมจะรู้จักแล้วครับเพราะว่าเป็นร้านอร่อยจริงๆในสิงคโปร์นี่ก็ได้นะครับนะในกัมพูชาเนี่ต่างๆเพราะฉนั้นถ้าทำเป็นคู่มือให้กับนนะักท่องเที่ยวนะครับก็จะทําให้เขาได้ได้มาเที่ยวนะครับในอาเซียนนะเพราะนั้นเราจะต้องมีการเชื่อมโยงกันคืออย่างปริมาณนักท่องเที่ยวของของต่างประเทศตอนนี้นะในส่วนของฝรั่งหรือคนจีนนะครับ จะไปจะมุ่งไปเที่ยวอย่างของเมืองไทยเรานี่ก็จะมาแถวกรุงเทพหรือว่าที่ภูเก็ตนะที่พัทยานะครับแต่ว่าในส่วนของกัมพูชานี่ส่วนใหญ่ท่องเที่ยวจะมุ่งไปที่เสียมเรียบซึ่งเป็นที่ตั้งของนครวัดนครธมะครับนะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดังระดับโลกนะครับมีมีบางปีนี่ขึ้นอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นในในส่วนของมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ไปเที่ยวกัมพูชามาสิงคโปร์มาเลเซียจะโยงกันได้ยังไงครับไปลาวลาวนี่ก็ที่ที่หลวงพระบางนี่ค่อนข้างที่จะดังนะครับนะเป็นมรดกโลกนักท่องเที่ยวก็ น, นิยมนะไปเที่ยวที่ที่หลวงพระบางนะชมวิถีชีวิตนะของของชาวบ้านนะทางเวียดนามนี่ก็จะเป็นอ่าวฮาลองนะครับซึ่งเป็นมรดกโลกนะที่ที่อยู่แถวแถวกรุง ฮานอยเนี่แหละครับนะก็เป็นแหล่งที่นิยมส่วนพมา่านีก็เป็นมรดกโลกนะเจดีชเวดากองหรือว่าหลายๆที่ในในพมา่านี่นะครับทอย่างไรที่จะมีการเชื่อมโยงกันได้นะครับนะซึ่งตรงนี้นี่น่าสนใจมากนะครับนะโดยเฉพาะในส่วนของภาคอีสานอีสานใต้นี่ยนะครับถ้าเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวนะเส้นทางอรารยธรรมขอมนะครับที่เชื่อม ในโซนอีสานใต้ซึ่งมีประสาหินหลหลายแห่งนะไม่ว่าจะเป็นโคราชกทิพิมายบุรีรัมยกพนมลุงเมืองต่านะครับในส่วนของสุรินสีคอรภูมินะปะสาสีคอรภูมินะในส่วนของสีสะเกตนะครับนะสะกําแพงนะครับแล้วก็ในเขาพระวิหารอย่างนี้นะครับนะจะเชื่อมโยงกับนครวัดนครธมได้อย่างไรนะครับนะซึ่งอยู่ในกัมพูชาถ้าเชื่อมกันได้ก็จะ เป็นการท่องเที่ยวเส้นทางอรารยธรรมขอมนะ<_ <EN> _>นะก็จะทําใหนะ้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เที่ยวกันครบนะครบวงจรเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเชื่อมโยงได้ก็จะเพิ่มปริมาณของของนักท่องเที่ยวนะให้ให้สูงยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงนะจะต้องดูนะครับนะในการส่งเสริมรวมทั้งนะการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเมืองรองนะนะจากเมืองหลักนะก็มีเมืองรองที่เน้น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้างนะเมืองกีฬาบ้างอย่างอย่างบุรีรัมอย่างสุพรรณอย่างชนบุรีนี่ก็น่าจะเน้นในเชิงกีฬาได้นะครับแล้วก็เป็นทางด้านศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆนี่ก็จะมีอีกหลายเมืองนะครับที่ที่น่าสนใจในการส่งเสริมก็จะดีนะครับรวมทั้งการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับนะซึ่งก็ในส่วนนี้ก็กําลังส่งเสริมกันอยู่นะครับในส่วนของ หน่วยงานของรัฐนี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีเนี่ยให้ชุมชนมามาจัดการท่องเที่ยวนะให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมชุมชนนี่ก็กำลังทํากันอยู่หลายๆที่นะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยท้องถิ่นนะครับถ้ามีการกระตุ้นได้อย่างนี้นะครับแล้วก็มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวสลับไปสลับมาก็จะเป็นสิ่งที่ดี แล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยครับในส่วนของโครงการในเรื่องของการที่ลงมาส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนเข้มแข็งเนี่ยก็มีอยู่หลายๆส่วนนะครับในการที่จะมาช่วยส่งเสริมชาวบ้านที่จะสร้างความเข้มแข็งในส่วนของชาวบ้านเนี่ยนะครับในส่วนของเครือข่ายของพลเมืองอาสานะครับที่ประสานงานกับในส่วนของ สำนักงานคณะกรการสุขภาพแห่งชาติเดี่ยมีการประสานนะในนามของศูนย์ประสานงานพาคีพัฒนาใน แ, แต่ละจังหวัดกำลังขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมพลเมืองอาสานะครับนะนในส่วนของภาคประชาสังคมเนี่ยนะครับในแต่ละนะอำเภอแต่ละพื้นที่เนี่ยนะไปสำรวจนะผู้อยากไร้ไปนะช่วยเหลือนะคนยากคนจนนะครับนะ ป่วยติดเตียงบ้างนะครับคนแก่คนพิการอะไรต่างๆเนี่ยเขาไปเยี่ยมชมไปสำรวจเก็บข้อมูลไว้นะครับเพื่อที่จะประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาม า, มาช่วยเหลือมามาพบปะมาพูดคุยได้ต่อไปในตอนนี้ก็กำลังดำเนินงานกันอยู่ใ น, ในทุกในทุกอาเภอแล้วครับนะมีการขับเคลื่อนควบคู่กันในเรื่องของการทำธรรมนูล สุขภาพของของชุมชนนะครับให้ชาวบ้านในแต่ละส่วนนี่มาระดมสมองเพื่อหาทางออกแก้ไขชาวบ้า น, นก็เป็นสิ่งที่ทํากันอยู่นะครับนะก็ก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีช่วยกันคนละไม้คนละมือสาหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่เรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมนิรันดร์คุณธนันต้องรอขอลาท่านไ ป, ไปก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ t r i d e เมจะเมันเป็นชชาและฝันตาไม่รู้ไม่ทีไม่รักก็ไม่บอกไม่รักแ ล, ลก้วแกล้งอกก็ฉันมันหอกโดนเธอลอกมาลังกีไม่รักก็ไม่บอกไม่รักแ ล, ลก้วแกล้งอกเขิดแล้วคุณันอกโนเธอลอกไม่ชินี Cha a n d I'm not u e